วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการที่ผู้ปฏิบัติจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั้นจำเป็นจะต้องมีสี่ปัจจัย ที่หายากอย่างยิ่งในโลกนี้คือสิ่งที่หายากในโลกสี่อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นของยากข้อที่สองการตัดสรตของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากสามการดำรงชีวิตอยู่ ก็เป็นของยากและสี่การได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากนี่คือสิ่งสี่อย่างด้วยกันที่เป็นของยากในโลกนี้แต่ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผู้ที่ปรารถนาะ <c oughs> การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จำเป็นจะต้องได้มาถ้าไม่ได้สิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นถ้าใครก็ตามถ้าได้มาพบกับสิ่งที่ยากทั้งสี่ประการนี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภมหาศาล ยิ่งกว่าการได้ถุงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะรางวัลที่ได้จากการศึกษาการปฏิบัติธรรมนั้นมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าการถูงวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็ตรงที่ความยากความยากที่จะได้ถุงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เป็นของยาก การปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงยิ่งเป็นของยากหลายเท่าและจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พบกับสิ่งที่หายากในโลกนี้สี่อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นของยาก พราถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์นี้โอกาสจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นของยากหรือถ้าได้เจอแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นได้มาเกิดเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานมาอยู่ในวัดมาอยู่ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัข การจะได้ยินได้ฟังทำรรเพื่อนำมาไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ทนั้นถึงจะได้ถ้าได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้ ว, วก็จะได้ยินได้ฟังทำคำสั่งคำสอนแล้วได้ปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสุปฏิปันโน จนได้บรรลุมรควุนนิพานขึ้นมาตามลําดับาการเกิดเป็นมนุษย์นี้ทําไมจึงเป็นของยากเพราะว่าพ่อแม่ของมนุษย์นี้มีน้อยกว่าพ่อแม่ของสัตว์ในราชาสัตว์ในราชานาชานี้มีจํานวนมากกว่ามนุษย์หลายพันหลายล้านเท่าสัตว์มีหลากหลายชนิดด้วยกัน มดมแมลงก็เป็นสัตว์แล้วก็ปลาต่างๆที่อยู่ในน้ำทะเลในมหาสมุทรสัตว์ที่อยู่ในป่าในเขาต่างๆสัตว์ที่อยู่ตามบ้านมดมแมลงอะไรเป็นต้นจำนวนของสัตว์เหล่านี้เขามีมากกว่าจำนวนของมนุษย์ การที่จะได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงง่ายกว่าการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งแรกคือความยากของการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าพ่อแม่มีจํานวนน้อยกว่ามีมนุษย์มีจํานวนน้อยกว่าแล้วมนุษย์ในสมัยบางสมัยก็จะเป็นมนุษย์ที่มีการรู้จักวิธีป้องกันการเกิด มีการมีการใช้ยาคุมกำเนิดเป็นต้นทำให้การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่สมัยก่อนก่อนที่มีวิทยาศาสตร์ที่สอนวิธีการควบคุมการกำเนิดก็จะมีลูกมากกันหน่อยครอบครัวหนึ่งอาจจะมีเจดคนขึ้นไปก็ได้ แต่สมัยนี้ครอบครัวหนึ่งนี้มีแค่คนสองคนถ้ามีครอบครัวหรือไม่มีเลยเพราะมีการคุมกำเนิดนี่คือการยากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากการที่มีร่างกายมีพ่อแม่ที่มีจำนวนน้อยแล้ว ก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนหลังจากที่ตายจากมนุษย์จากชาติก่อนก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดระชาน้น เราก็ไมรู้ว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานกี่พบกี่ชาติกี่ครั้งกันจนกว่าบาปที่ได้ทําไว้จะได้หมดกําลังหมดอิทธิพลต่อลวงวิญญาณถึงจะได้มามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบาปยังไม่หมดก็ยังต้องใช้กรรมไปเรื่อยๆไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไป ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เช่นทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานก็ใช้วิธีเลี้ยงชาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เรื่อยๆก็ต้องไปทำบาปอยู่เรื่อยๆติดอยู่ในวงจรขอ ง, ของการเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยกเว้นว่าถ้าเป็นคือเป็นสัตว์ในราชฉานที่เลี้ยงชีพโดยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือเป็นสัตว์ที่กินผักผลไม้เป็นต้ น, นก็ก็จะมีโอกาสที่จะหมดหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะได้หมดจากอิทธิพลของการกระทำบาท แล้วก็มามีรอรับมีโอกาสมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกเมื่อไหร่เพราะจำนวนพ่อแม่ที่จะผลิต ร, ร่างกายของมนุษย์ก็มีจานวนไม่มาก <c oughs> ก็จะต้องรอไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> หรือถ้าได้ไปเกิดถ้าได้ทำบุญมากก็ไปเกิดไปอยู่ในสวรรค์ ก็ยังดีถ้าได้อยู่ในสวรรค์ก็ถือว่าไปอยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ยังจะไม่ได้เกิดถ้ายังไปเป็นเทวดาอยู่ถ้ามาเกิดถ้าช่วงนี้ยุคนี้มีพระพุทธศาสนาแต่ดวงวิญญาณไปเป็นเทวดาอยู่โอกาสจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมก็ยากมีน้อยมีโอกาสบ้าง ถ้ามีพระอาหารหันต์ที่ท่านสามารถสั่งสอนเทวดาได้แล้วเทวดาก็ต้องเป็นผู้ฝ่ธรรมผู้ที่สนใจธรรมถึงจะสามารถศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมได้และปฏิบัติในขณะที่เป็นเทวดาได้ถ้าไม่ได้เป็นเทวดาที่ฝ่ธรรมเป็นเทวดาที่ฝ่กาม สนใจในเรื่องของการเสพลูกเสียงกิรลโถดทะพะก็จะเสพความสุขของลูกูกทิพเสียงทิพไปเรื่อยเรจนกว่าอำนาจของบุญนั้นหมดอิทธิพึงต่อดวงวิญญาณถึงจะได้มารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กาจะกรับมาเกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้ในขณะนี้อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ถ้าหมดไปแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จะไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถูกต้อง ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอนนี้คือเรื่องของความยากของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นใครที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะนี้แล้วต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมากได้สิ่งที่หายากและมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพียงแต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าไม่มีการเกิดการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนมาบอกทางให้สู่ให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้หลุดพ้น จากความทุกข์ได้อย่างในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและบำเพ็ญสัมมาน ร, รมเป็นสัมมาโคดมช่วงนั้นก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครรู้จากวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างราบคาบอย่างถาวรรู้เพียงแต่วิธี หยุดความทุกข์ไว้ชั่วครั้งชั่วคราวคือด้วยการวิธีเข้าสมาธิเข้าฌานนั่นเองเวลาจิตเข้าสู่ความสงบของฌานความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของกิเลสตัณหาก็จะถูกลั ง, งับไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมา พอเริ่มมีความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมามไม่มีใครรู้ในยุคนั้นว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือความคิดที่คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่ก็เลยไม่มีใครรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ในขณะที่ ไม่ได้อยู่ในสมาธิย่สมมาณโคโดมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ความทุกข์นั้นไม่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิศึกษากับพระอาจารย์หลายๆลูกท่านก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะระงับความทุกข์ก็ต้องเข้าสมาธิเข้าฌานไปเท่านั้นเอง นั่นแหะคือความยากลําบากของผู้ของยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนายุคที่ไม่มีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นุาลิยสัตสีตัดจารุตรายลักษณ์รู้ถึงเหตุที่ทําให้ใจเกิดความทุกข์ก็คือความคิดที่คิดแตในทางความโลภความโกรธความหลง และรู้จากวิธีหลัง่งั้ความคิดที่คิดไปในทางโาคโกรธหลงด้วยการให้คิดไปในตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเทานั้นพอพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความโลภความโกรธความหลงนั้นมีความปรารถนามีความอยากได้ว่าเป็นทุกข ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การใต้คำสั่งของใครทั้งสิ้น mm hmm. ก็เลยทำให้สามารถระ ง, งับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ในขณะที่ไม่เข้าในสมาธิได้ทำให้สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร พอหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุเหตุของความทุกข์แล้วว่าเกิดจากความโลภโกรธหลงนี้เองพอนอาพํามาใบเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจเก่บรรดานักบวชทั้งหลายที่มีสมาธิอยู่แล้วที่รู้จักวิธีหยุดความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่ไม่รู้จักวิธีหยุดความทุกข์หลังจากออกจากสมาธิมาว่าให้หยุดอย่างไร พอทรงแสดงอริยาศาสตร์สิ่ให้ฟังว่าทุกเกิดจากกิเลสตัณหาความและความโลภความอยากต่างๆถ้าอยากจะให้กิเลสตัณหาให้อยากความทุกข์ให้หมดสิ้นไปก็หยุดความโลภความอยากต่างๆนี้ด้วยการพิจารณาใจรักเท่นั้นเองพอสอนเพียงแค่ครั้งเดียวคนที่ฉลาดเช่นพระอัญญาโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นอริยาสาัจสีเห็นไตรลักณขึ้นมาทันทีเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็สามารถระ ง, งับหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้พอระ ง, งับหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้ทุกที่เคยเกิดจากความอยากก็หมดสิ้นไปอันนี้แหละคือความมาสัศจรันรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพาาุทธเจ้า ที่จะสามารถทำให้สัตว์โลกที่ติดอยู่ในความมืดบอดของอโมหะอาวิชชามีหูตาสว่างขึ้นมามีความสามารถในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากโมหะาอาวิชชาเป็นผู้ปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นี้ สามารถทำให้กำจัดเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็ปรากฏเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยในยุคแรกๆนี้พระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนพวกที่เป็นบัวบัวเหนือน้ำบัวที่รอแสงสว่างแห่งธรรมรอแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็คือจิตใจที่ พร้อมที่จะรับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจิตใจที่มีศีลที่บริสุทธิ์และมีความตั้งมั่นอยู่ในความสงบของสมาธิพอได้สัมผันธ์กับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าขะนั้นก็สามารถทําให้วิมุตติหุดพ้นปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยช่วงระยะเวลาเพียง เจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนนีก็ปรากฏว่ามีพระอรหันต์อย่างน้อยก็หนึ่งันรหบรูปด้วยกันที่ได้มาจากสารทิตต่างๆเพื่อมาเข้าพราะพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาในวันเพ็ญเดือนสามการแสดงธรรมครั้งแรกทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน8วันนสาหะบูชา หลังจากที่ได้แสดงได้โปรดสอนบุคคลต่างๆจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นหลังจากได้บวชเป็นภิกษุแล้วก็ได้ให้ไปแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อนำเอาธรรมมันประเสริฐนี้ไปเผยแพ่ให้กับผู้ไม่รู้ต่อไปแต่พอมาถึงวันเพ็ญเดือนสามเป็นธรรมเนียมของคนสมัยนั้นของ คนที่นับถือศาสนานั้นที่จะมารวมตัวกันมาบูชาครูบาอาจารย์ของตนพระหลานเหล่านั้นก็เลยคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบร ม, มาศาสดาก็เลยเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนับจำนวนได้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปขึ้นไปอันนี้แหละ คือคามวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระธรรมคําสอนตอนที่จะทรงตัดสัลุนี้ไม่มีพาา ร, ระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เลย ม, มีครั้งแรกก็คือวันเพ็นเดือนหกวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัลุอนุตตะละสัมโพธิยาน เป็นผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์รูปแรกของโลกพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครที่จะมีความสามารถที่จะมาเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเอ ง, งานานๆจะมีบุคคลที่มีบารมีที่แก่กล้าอย่างสมณะโคดมเท่านั้นที่สามารถที่จะ ศึกษาและปฏิบัติทำได้ด้วยตะได้ตามลำพังของตนเองตามกำลังความสามารถของสติปัญญาของตนเองจนสามารถมองเห็นอริยสัจสีได้มองเห็นตลายลักษ์ได้เย<ม>วันเพ็ญเดือนหกจึงปรากฏมีพระอาหารหันตขึ้นมาเป็นรูปแรกคือพระอาหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันแล้วรู้จักการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วสองเดือนต่อมาก็ได้ประกาศพระธรรมคำสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจหลังจากที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงปรากฏเป็นจำนวนขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยนี่แหละคือความอัศจรรย์ความวิเศษ ของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อตัดสู้แล้วก็จะมีพระธรรมคาสอนที่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะมานำพาให้ผู้ที่ยังอยู่ในตกอยู่ในความมืดบอดของโมหะอาวิชชาได้เห็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างชัดเจนจึงสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์กันได้เป็นจำนวนมาก น, นี่แหละคือเรื่องความสาคัญ ก็เป็นสิ่งที่หายากมากคือการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้และคิดว่าจะยากกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เสียด้วยซ้ำไปการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้อาจจะง่ายกว่าการที่ได้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เพื่อ น, นำเอาเพราะธรรมคำสอนมาเผยแพ่ให้แก่สรรโลกเพราะนอกจาก ต้องเป็นมนุษย์ก่อนแล้วการที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาตัดสรุได้นี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเ <Yeah. S 1> มื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นของยากแล้วยังต้องมาบำเพ็ญ <Yeah. S 1> บำเพ็ญธรรมเพื่อให้มีมีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อีกขั้น <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นของยากมากใครก็ตามที่ได้มาพบกับได้มาเกิดเป็นมนุษย์ yeah. และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมากก็มีเป็นผู้ที่จะมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ยังต้องมีอีกสองสิ่งที่ที่หายากเช่นกันที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่สิ่งที่สามที่หายากก็คือ การดำรงชีพของมนุษย right. ์นี่ก็เป็นของยากเพราะมนุษย์นี่ก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กับวากหนามต่างๆอุปสรรคที่อาจจะทําให้ชีวิตสิ้นสุดลงได้ทุกเวลานาทีมีภัยรอบด้านภัยที่เกิดจากธรรมชาติก็มีภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีภัยที่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานก็มี ใครที่เกิดจากมนุษย์ที่มีใจโหดเทียมทารุณก็มีการที่จะมีชีวิตอยู่จึงไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่าสามารถที่จะตายได้ทุกอายุขัยคนบางคนเกิดมาอยู่ได้เพียงวันเดียวก็ตายก็มีบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เดือนบางคนก็ปีมีความตายอยู่รอคอยรออยู่ทุก ทุกระดับของอายุเลยก็ว่าได้ดังนั้นการที่จะอยู่อยู่เจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัตินี้ยึงไม่ใช่เป็นของง่ายใครที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วได้มาอยู่มีอายุจนถึงบันนี้ได้นั้นก็ต้องถือว่าได้ของที่ยากอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าตายไปเสียก่อนอยังก่อนที่จะได้ศึกษาหรือได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนการที่จะได้รับประโยชนจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะยังไม่ได้ ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินั mm ่นเองดังนั้นการที่มีกา ร, mm hmm. ก, ารการดำรงชีพจึงเป็นของที่ mm hmm. ยากเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่กันหรือไม่ mm hmm. ใครจะตายกันเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา mm hmm. ทุกสถานที่ไม่ว่ า, าจะอยู่ที่ไหนก็ตามความตายนี้มันคอยรอคอยต้อนรับ พวกเราอยู่ตลอดเวลาการที่ความตายยังไม่มาถึงนี้จึงถือว่าเป็นโชคเป็นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไปเรื่อยๆจึงไม่ควรที่จะปล่อยความวิเศษของการมีชีวิตอยู่นี้ปล่อยไปโดยที่ไม่ได้เอามาทำคุณทำประโยชน์ ไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนอกจากมีชีวิตอยู่แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาไดยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ยังต้องมีสิ่งที่ยากอีกข้อหนึ่งก็คือการได้ศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทําไมถึงเรียกว่าการศึกษาพราะธรรมคำสอนเป็นของยาก ก็เพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่ได้ดึงดูดใจของผู้ที่ยังถูกกิเลสตันหาครอบงำอยู่เพราะเป็นวิชาที่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อทำมาหากินให้ร่ําให้รวยได้นั่นเองคนคนจึงไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาพุทธศาสนากันสนใจที่จะไปศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาล เ, เป็น เป็นนักการบ้านการเมืองเป็นทนายความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นอะไรต่างๆเพราะอาชีพเหล่านี้มีรายได้และสามารถที่จะนำรายได้นั้นไปตอบสนองความอยากของกิเลสตัณหาได้เพื่ออาชีพที่สามารถที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดโผฏฐาพได้ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกถึงแม้จะมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานนก็มีคนที่สนใจที่จะศึกษาน้อยก็<น>ดูก็แล้วกักกนในเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธมีวิทยาลัยที่สอนพุทธศาสนากี่โรงเรียนมีกี่อันที่สอนวิชาธรรมะแล้วก็ มีวัดวาารามถึงแม้จะมีจำนวนมากแต่มีผู้ที่จะไปบวชไปศึกษาอย่างจริงจังก็มีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศการที่จะไปศึกษาธรรมะของคาสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้จำเป็นจะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาือจะต้องมีความสนใจมีความอยากจะเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ จิตใจเรื่องของการทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีความสนใจในเรื่องเหล่านี้แล้วโอกาสที่จะไปศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ก็จะไม่มีกัน น, นีก็คือเป็นสิ่งยากการที่ได้ศึกษาการจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนมีใครคนที่จะมีความสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติจริงๆ ก็ต้องไปเป็นนักบวชกันทั่นเองนักบวชก็มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรของของประเทศประชากรมีเจ็ดสิบล้านนักบวชนี่มีแค่สองสามแสนและที่มาบวชสองสามแสนนี้ที่สนใจกับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมก็มีไม่เท่าไหร่บางทีมาบวชแล้วก็แทนที่จะสนใจกับการศึกษาก็กลับมาทา ทำพิธีกรรมต่างๆเป็นอาชีพไปก็มีเป็นทำพิธีลดน้ำดำหัวป่าเสกเป่าอะไรต่างๆให้กับผู้ที่มาขอให้กระทำพิธีกรรมเหล่านั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยอันนี้ก็จึงถือว่าเป็นขั้นยาก ถึงแม้จะมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ต่างแต่การที่จะมาศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างจริงจังเพื่อนํำอาไปปฏิบัตินี้จึงเป็นของยากเพราะมันขัดต่อความรู้สึกนึกคิดของจิตใจของสัารโลกที่ถูกครอบงําด้วยอํานาจของกิเลส ต, ตัณหาโมหะอาวิชชานั่นเองกิเลสที่ถูกกิเลส ตัณหาโมหะาาจิต ท, ที่ถูกกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาครอบงำอยู่นี้จะไม่สนใจกับการศึกษาเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นวิธีเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่การไปแสวงหาราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองจ <c oughs> ึงไม่ค่อยมีใครสนใจที่อยากจะศึกษาพระธรรมคำสอน สนใจในการที่จะศึกษาความรู้ทางด้านทางโลกเสียมากกว่าเช่นอยากจะเป็นแพทย์กันนักเรียนเวลาสอบเอ็นทานเข้ามาอะไรอันดับหนึ่งวิชาที่ต้องการศึกษาคืออะไรก็คือวิชาแพทย์ตามด้วยวิชาวิศวะ <Yeah. S 1> ไม่ได้มีวิชาพุทธศาสนาอยู่ในอันดับหนึ่งของนักศึกษานักเรียนเลย เพราะเขาไม่สนใจเขาไม่เห็นคุณค่าของวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าสามารถที่จะหาสิ่งที่มันมีถ้าเป็นราคาก็ล้าค่ากว่าสิ่งต่างๆที่วิชาอย่างอื่นสามารถนําไปหาได้ถ้าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นวิศวะ<ๆ>ก็จะมีรายได้ดีเท่านั้นเองแต่ก็ยังต้อง ถูกความทุกข์ชนิดต่างๆมาคอยครอบงำมาคอยลุมมล้าจิตใจอยู่เรื่อยๆไม่เห็นว่าไม่รู้ว่าวิชาของทางธรรมนี้จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงจะไม่มีความทุกข์อะไรที่จะเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ยากสี่ประการด้วยกันที่ ถ้าจะต้องการหลุดพ้นจากความทุกนี้จำเป็นที่จะต้องมีกันให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ได้กันแล้วคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกับพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าคือได้พบกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ขาดอยู่ในของยากข้อที่สี่ก็คือ การศึกษาการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนี้เท่านั้นเองถ้ามีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายยังไม่มีความสนใจอย่างจริงจังที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ท่าก็ต้องพยายามเข้าหาผู้ที่รู้วิวธีการดับความทุกข์และรู้ประโยชน์ของการดับความทุกข์ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อจิตใจอย่างไรก็คือต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ต้องพยายามบังคับฝืนใจบ้างถ้ายังไม่สนใจก็ลอง ฝืนใจบังคับให้มาศึกษาพระธรรมคาสอนก็สำคัญให้ไปศึกษาพระธรรมแท้อย่าไปศึกษาพระธรรมปลอมกันถ้าไปศึกษาพระธรรมปลอมกันแล้วก็ยิ่งจะเกิดการสับสนกันจึงควรจะไปศึกษาจากแหล่งที่ถูกที่มีธรรมที่ถูกต้องก็คือจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ตากโลกนี้ไปแล้ว แต่ก็มีพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดว่าจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนถ้าอยากจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดสิ้แล้วใน ในวันเพ็ญเดือนหต่อมาสองเดือนก็เริ่มประกาศสอนพระธรรมคำสอนแล้วก็สอนอยู่ทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็สอนสอนธรรมะให้กับคราวาสผู้คลองเรือนตอนค่ำก็สอนธรรมะให้กับภิกษุภิกษุณีนักบวชยามดึกก็สอนธรรมะให้กับเทวดาและ ตอนเช้าก่อนที่จ ะ, สะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงเลิง ย, ยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษเพราะบุคคลที่ที่เรง ย, ยานนี้อาจจะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะมีดวงตาเห็นธรรมและอาจจะมีอันเป็นไปต่อชีวิตก็เลยมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นก่อนเพราะถ้าเกิดเขาตายไปก่อนที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเขาก็จะหมดโอกาสอันพิเศษนี้ไป และจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้มีโอกาสได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษและทำเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงในแต่ละวันนี้ก็มีการจดจำจดบันทึกกันมาเป็นเป็นช่วงๆจนมาถึงในยุคปัจจุบันก็มีการบันทึกไว้ในพระ ค, คัมภีร์ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎก นี่แหละคือแหล่งที่แหล่งความรู้ที่เป็นคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คําที่เขาพูดว่าพุทธวจนะก็คือนี่แหละพระไตรปิฎกนี่แหละคือแหล่งของพุทธวจนะพุทธวจนะก็คือคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองมีบันทึกไว้ในพระต ไ, ไตรปิฎกคําว่าไตรนี้แปลว่าสามปิฎกนี้แปลว่าตะก้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีจัดเก็บไว้เป็นสาม สามหมวดใหญ่ๆสามตะก้าด้วยกันหมวดที่หนึ่งเรียกว่าพระวินยัยหมวดนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของข้อศีลข้อปฏิบัติของนักบวชในพระพุทธศาสนาเช่นถ้ามาบวชเป็นภิกษุนี้จะต้องรักษาศีลกี่ข้อด้วยกั น, นาสาเหตุของการที่มีศีลของแต่ละข้อก็มีที่มาที่ไปผู้ที่อยากจะศึกษ า, อ ย, าอย่างลึกซึ้งอยากจะมาบวชก็สามารถไปศึกษาพระวินัยได้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าทำไมเป็นพระถึงจะต้องมีกฎระเบียบถึงสองยี่สิบข้อด้วยกันเพราะมันมีที่มาที่ไปมีเหตุว่าทำไมจึงจาเป็นจะต้องมีการรักษากฎระเบียบเหล่านี้เพื่อเป็นความรักษาความน่าเคารพนับถือของนักบวชนั่นเองนักบวชนี้จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของผู้อื่น ก่อนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของผู้อื่นได้ก็จําเป็นที่จะต้องสามารถที่จะเป็นครูสอนตนเองให้ได้ก่อนสามารถที่จะควบคุมการแสดงออกทางกายวาจาใจนี้ให้อยู่ในสภาพที่น่าดูน่าชมน่าเคารพน่านับถือนั่นเองอันนี้ก็คือภาพวินัยปิดกถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของศีลของพระของภิกษุณี ก็มีบันทึกเก็บไว้ในพระวินัยปิปปดกแล้วถ้าอยากจะฟังเทศต่างๆที่พุะเจ้าทรงแสดงสอนให้กับศรัทธากับผู้ที่สนใจในแต่ละวันนี้ก็มีบรรจุไว้ในพระ ส, สูตรพระ ส, สูตรตันตะปิดกอันนี้จะเป็นที่เก็บของพระ ส, สูตรสำคัญสำคัญเป็นธรรมจากกับปวัตตนสูตร ม, ง ค, ม, ง, มงคลลสูตร หรือสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นวิการสอนธรรมะในระดับต่างๆในวิชาในเรื่องต่างๆบางเรื่องก็สอนเรื่องทานบางพระสูตรก็สอนเรื่องศีลบางพระสูตรก็สอนเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิบางพระสูตรก็สอนเรื่องสติเรื่องปัญญามีหลายระดับหลายหลายเรื่องด้วยกันถ้าอยากจะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ก็ศึกษาได้จากพระสูสตรตันตปิฎก ส่วนปีดกหมวดที่สามนี้มีชื่อว่าผ้าพิธรรมพะ้าพิธ ร, รมนี้ก็คือเรื่องของการรวบรวมธรรมะหัวข้อธรรมะต่างๆมารวบรวมเก็บไว้เป็นหมวดเป็นหมู่โดยที่ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องว่าได้แสดงธรรมที่ไหนว่าพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่ไหนใครเป็นผู้ที่มาฟังธรรมอันนี้จะคัดเอาแต่ ธรรมะล้วนๆมาเก็บไว้เป็นหมวดเ mm hmm. ช่นเอาลยะสัจ ส, สีเอาไตรักมามาจัดเก็บไว้ใครสนใจอยากจะศึกษาธรรมะบทใ ด, ดก็สามารถเข้าไปค้นหาดูได้ mm hmm. นี่คือแหล่งที่จะสามารถศึกษาและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ mm hmm. คนที่ไม่มีศรัทธาพอหลังจากที่ได้ศึกษาอย่างจริงจังจากพระตไตรปิฎกนี้ ก็จะเกิดมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความยินดีมีฉันทะคือความยินดีที่จะนำมาไปปฏิบัติต่อไปถ้าไม่ได้ศึกษานี้ก็จะไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาหรือถ้าไปศึกษาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องก็จะไปศึกษาเรื่องที่ไม่ใช่ของเรื่องที่พูะเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเช่ mm hmm. นไปศึกษากับ บางแหลงเขาก็สอนให้ไปทำพิธีกรรมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ไดสอนให้มาเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็คือการที่จะทำให้เราได้เกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่จะศึกษาพราะธรรมให้มากขึ้น เราต้องศึกษาไปศึกษาจากพระพุทธรธรรมหรือพระสงฆ์อีกแหล่งหนึ่งก็คือพระอริยสงสารกของพระพุทธเจ้าคือพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบทั้งหลายทั้งท่านที่มีชีวิตอยู่และท่านที่พิ่งจากโลกนี้ไปเพราะท่านที่จากโลกนี้ไปตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็มีการแสดงธรรมมีการสั่งสอนธรรมะให้กับผู้ที่ไม่รู้เรื่องธรรมะอยู่ มีบันทึกเก็บไว้เป็นหนังสือบ้างเป็นเครื่องบันทึกแถบบันทึกเสียงบ้าง<อ>ก็สามารถที่จะไปศึกษาธรรมะเหล่านี้ได้<ส>เพราะว่าท่านเหล่านี้ถือว่าเป็นพระอาหารหันตสาวก<ส>เพราะว่าหลังจากที่ท่านตายไปอัฐิบางส่วนของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมา<ส>อันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าพระอาจารย์รูปนี้<ส><ส>ท่านเป็นพระอาหารหันต มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่อัติธาต์อัติจะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาคือกระดูกนี้จะไม่จะไ ม, จะไม่จะไม่กลายเป็นดินไปแต่จะเป็นเป็นาธาตุขึ้นม า, าธาตุก็เป็นเหมือนก้อนหินนี่เป็นอัญญามณีเหมือนเป็นก้อนอัญญามณีอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเราถ้าศึกษาธรรมะของท่านนี้เราก็จะได้ธรรมะที่ เป็นธรรมะที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซสามารถนำอาไปปฏิบัติตามและบรรลุถึงผลได้อย่างแน่นอนนี่คื อ, อแหล่งสำหรับธรรมะของครูบาอาจารย์ของพระอาหารหันต์ที่ตายไปแล้วก็ต้องอาศัยหนังสือที่ท่านได้มีมีเผยแพร่หรือมีเทปที่บันทึกเสียงเอาไว้เก็บไว้อาไปอ่านไปฟังกันได้หรือถ้ามีโอกาสหรือ เมกะได้พบปะกับพระสุปฏิปโนพระที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ถ้าได้ไปศึกษาจากท่านโดยตรงการศึกษาก็จําเป็นจะต้องไปไปพักที่วัดไปพักที่วัดเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมการแสดงธรรมของท่านอยู่เรื่อยๆแล้วก็พร้อมกับนําเอาไปปฏิบัติพที่วัดนี้ก็เป็นที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติ เพราะเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้อย่างง่ายดายถ้ามีโอกาสได้อยู่ได้ไปอยู่ได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติกับภาพสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลาย <S <S โอกาสที่จะเกิดอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา น, นี้ก็จะมีมากเพราะธรรมของพระเจ้านี้เป็นธรรม ท, ที่เป็นรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวง ถ้าเป็นทำแท้และเวลาได้ยินได้ฟังทมแต่ละครั้งนี้จะเกิดความประทับใจขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกอยากจะเข้าให้ถึงพระธรรมบรรพเสริฐอันนี้ให้ได้จะทำให้เกิดมีฉันทะความยินดีที่จะนาเอาไปปฏิบัติจะมีวิริยะก็คือจะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของ ของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธเจ้าพอมีฉันทะก็จะมีวิริยะมีจิตตะจิตตะก็คือใจที่จะจดจอ่อให้ความสนใจอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติ ธ, ธรรมเพียงอย่างเดียวมีมังสาก็คือจิตใจที่คข้ควรเกี่ยวกับเรื่องธรรมะคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องของธรรมะคิดแต่เรื่องทานคิดแต่เรื่องศีลคิดแต่เรื่องภาวนาอย่าไม่ไปคิดถึงเรื่องทางโลกไม่คิดถึงลาบยศจารสญ เมื่อคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายถ้าจิตใจมีอิทธิบาทสี่อยู่ในใจแล้วการเจ ร, ริญเติบโตทางด้านธรรมะก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนนีคือสิ่งที่ถ้าเรายังไม่มียังไม่เห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่มีศรัทธาที่อยากจะ ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราเข้าหาผู้รู้ที่แท้จริงคือหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้หรือจะไปศึกษากับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็ศึกษาจากทางหนังสือ ของท่านไปถ้าท่านยังมีชีวิตยอยู่ก็ไปศึกษาที่วัดไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ธรรมะที่แท้จริงมันก็จะเกิดอิทธิบาสททิ่งขึ้นมาเกิดฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาที่จะศึกษาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ได้มากขึ้นตามำลำดับไป ถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิบัติไปเรื่อยๆการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลาดับของกำลังของการศึกษาและของการปฏิบัตินั่นเองไม่ใช่หมายความว่าถ้าไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ไปอยู่เฉยๆอาจจะฟังธรรมอย่างเดียวแต่ยังไม่ปฏิบัตินี้ก็ยังไม่พอเพียงฟังธรรมอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาให จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ฟังธรรมแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะกิเลสปัญหาตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้มันจะไม่ได้หลุดออกจากใจจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพียงอย่างเดียวต้องนำเอาไปปฏิบัติต้องนำไปขัดเกลจิตใจให้สะอาดอยสุดด้วยการบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนา โดยจำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือจิจตภาวนาศีลก็ต้องมีไว้เพื่อที่จะได้สนับสนุนการบําเพ็ญสมาธิการบําเพ็ญสมถภาวนาเพราะถ้าไม่มีศีลนี้ใจก็จะมีช่องที่จะแวบไปรทำติดอย่างอื่นได้ศีลที่พูดถึงนี้ก็หมายถึงศีลของนักบวช เคยตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดนี้มีไว้เพื่อที่จะสกัดกั้นกิเลสที่จะดึงใจให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเช่นศีลข้อสามของศีลแปดนี้ก็จะต่างจากศีลห้าศีลห้านี้ยังไม่ห้ามสามารถที่จะไปเสพความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้า ถือสีลแปลดแล้วก็ทํากิจกรรมวันนี้ไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนกับผู้ครองของตนไม่ได้เพราะว่าต้องการที่จะเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนนี้มาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการทําใจให้สงบเป็นสมาธินั่นเองจําเป็นจะต้องมีเวลาเจริญสติมีเวลานั่งสมาธิจนงจะทำจิตใจให้สงบได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีข้อห้าม ไม่ให้จิตเอาเวลาอันมีค่านี้ไปใช้กับการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนศ<น>ีนข้อสามที่เป็นกามเมก็จะเปลี่ยนมาเป็นอบบามจาริยาเวรมนีก<น>็จะเสือศีนพรหมจันทร์พำว่พรห ม, มจันทร์ก็คือผู้ที่ไม่เสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกับผู้อื่นแล้วนั่นเองอ<น>ั น, น, นี้ต้องมีศีนแปดสีนข้อหกก็เพิ่มขึ้นมาจากศีนห้า ศิลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็เหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แต่ศินข้อสมนี่ไม่เหมือนท่านที่จะไม่ประพฤติผิดประเพณีก็ไม่ไม่ประพฤติเรื่องกามเลยศินข้อสี่ก็เหมือนกันก็ไม่พูดตดศินข้อห้าก็เหมือนกันไม่ดื่มสุรายามเมาแล้วก็มาเพิ่มศินข้อหก็คือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆ ให้รับประทานตามความจําเป็นได้วันละมื้อหรือสองมื้อเป็นอย่างมากคือไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาให้กับการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมได้ถ้าไม่มีข้อห้ามในเรื่องการรับประทานอาหารตามความอยากก็อาจจะรับประทานไปทั้งวันตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงค่ําถึงก่อนนอนเลยก็ได้ พอมาถึงศีลข้อนี้แล้วก็ต้องระ ง, งับเรื่องของการหาความสุขจากการรับประทานอาหารโดยไม่มีขอบมีเขตไม่มีเวลาเวลาเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่มาใช้กับการหาความสุขจากการรับประทานการดื่มต่างๆนี้มาให้กับการปฏิบัติสติและสมาธินั่นเองนี่คือศีลข้อหก สิ่งข้อเจ็ก็คือไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูการฟังมอรสศพบันเทิงต่างๆหรือไม่ให้ไปเที่ยวตาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายโดยการใช้เสื้อผ้าพรที่วิจิตรพิสดารหรือด้วยการเสริมใบหน้าเสมทรงผมด้วยน้ําหอมน้ํามันด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆ อันนี้จะเสียเวลาต่อการปฏิบัติเป็นความสุขแบบขั้นต่ำคือต่ำกว่าความสุขที่จะได้จากการทำใจให้สงบจึงให้ละเว้นถ้าอยากจะหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกายไม่ดูมรสศพบันเทิงต่างๆไม่แสวงสวยความงามของร่างกาย อาน้ำล้างหน้าก็พอมีผ้าผอมไม่ให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าแบบไม่แบบเรียบง่ายเช่นใส่ชุดขาวไปหรือนุ่งดำห่มขาวไปอันนี้เพื่อมีไว้เพื่ อ, อกปกเปลีนร่างกายทั้งหนึ่งเสื้อผ้าพ่อนแล้วจะได้มีเวลาให้กับการที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมาตามลําดับ เพราะการที่จะทําทให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ น, นี้จําเป็นจะต้องมีสมาธิมีปัญญาและการจะมีสมาธิได้ต้องมีสติเจริญสติอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติเจริญไม่ค่อยควบคุมความคิดหยุดความคิดปล่อให้คิดถึงความอยากต่างๆใจก็จะสงบไม่ได้เวลานั่งสมาธินี้ก็เลยต้องถือศีนแปดสีลข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป เพราะการนอนอน้อยมากเกินไปก็จะทำให้เสียโอกาสเสียเวลามีค่าที่จะให้กับการปฏิบัติยิ่งให้นอนแบบที่มันไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อก็พอ mm hmm. เพราะว่าถ้านอนบนฟูกนานนะ mm hmm. เตียงสารานอนแล้วมันสบาย mm hmm. เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้ว mm hmm. ซึ่งมักจะใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงพอร่างกายตื่นขึ้นมา ใจก็ยังไม่อยากจะตื่นใจยังอยากจะนอนต่อเพราะอยากจะอยู่กับความสุขของการหลับนอนบนเตียงที่สุขที่สบายนั่นเองแต่บนถ้านอนบนเตียงที่มันไม่สบายนอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆอย่างนี้หรือนอนกับพื้นพอร่างกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายก็จะได้รีบลุกขึ้นมาจะได้มันลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมมาเจริญสติ หรือมาฟังเทศฟังธรรมหรือมาสวดมนต์ไหว้พระสุดแค้แต่วิธีการปฏิบัติของแต่ละท่านว่าตอนนี้ท่านปฏิบัติอยู่ในระดับไหนวิธีใดก็สามารถใช้วิธีเหล่านั้นให้กับการปฏิบัติได้เช่นบางท่านบางทียังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ยังต้องอาศาัยการสวดมนต์ไปก่อนก็สวดมนต์ไปก่อนการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมานุสติ ข้นมนี้ก็เป็นบทคำสอนของของทเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ า, จาการได้สวดมนต์และถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ความรู้เช่นถ้าเราสวดบทธรรมจักแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็จะรู้ว่าในบทนี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างก็สอนเรื่องอริยสัจ ส, สี่สอนเรื่องมรรคแปดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการฝึกสติเจริญสติ หรือปัญญาไปในตัวด้วยถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาถ้าไม่ได้เขา้าไม่เข้าใจความหมายเพราะเราสวดเป็นรสส า, าบาลีเราก็จะได้สติเพราะว่าการสวด น, นี้จะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องราวอื่นๆได้ไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต่างๆที่จะมาทําให้เกิดความอยากได้เป็นการเจริญสติเพื่อที่ต่อไป พอเรามีสติมากพอแล้วเราก็จะได้สามารถนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกได้โดยที่ไม่ต้องสวดมนต์ถ้ายัางดูลมไม่ได้นั่งแล้วมีการรู้สึกฟุ้งซ่านขึ้นมา mm hmm. ก็อาศัยการใช้การสวดมนต์ใบพังพก่อนจนกว่าจิตจะมีสติมากขึ้นแล้วก็มีความสงบเพิ่มมากขึ้นพอเพียงต่อการที่จะมีสติให้กับการดูลมหายใจเข้าออกได้ ก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแทนเป็นการดูลมโดยที่ไม่ไปควบคุมบังคับลมเพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ผูกใจเอาไ ว, ไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจจดจ่ออยู่กับการดูลมเข้าลมออกใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดก็แสดงว่าไม่ได้ดูลมแล้วพอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ว่ากําลังไปคิดก็ต้องเดินกลับมาที่ลมใหม่พยายามให้ ต่อติดอยู่กับนมให้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าสามารถทำได้เพียงห้านาทีนี้ใจก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้พอจิตใจสงบแล้วก็จะเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมาจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่พระเจ้าบอกว่าไม่มีความสุขเืนใดจะมีความเสมอเท่าได้นัติสันติปรังสุขถังแล้วมันจะเป็นความสุขที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจ ให้เข้ามาหาการปฏิบัติให้มากขึ้นและจะทําให้เบื่อต่อการหาความสุขทางโลกทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกียรติลดไปเพราะว่าเป็นความสุขที่คนะระดับกันความสุขทางโลกเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทําให้รู้สึกขิวโหยอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหลังจากที่มันหมดไป แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันไม่ได้มันจะอยู่ยั่งยืนกว่าในจิตใจและจะให้ความอิ่มความพอไม่ได้ให้ความหิว<ม>อันนี้ผู้ปฏิบัติพอได้สัมผัสกับความสงบแล้วก็จะมีฉันทะมีวิริยะมากขึ้นอยากจะให้เวลากับการปฏิบัติสมาธิกี่กับการเจริญสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆย้<ม>นสามารถต่อไปก็จะสามารถ ปฏิบัติสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเวลาไม่ได้นั่งก็จเจริญสติด้วยไอรียบท่างๆจ ะ, จะเจริญด้วยการเฝ้าดูอเรียบทการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือจะใช้คําบริกรรมก็ได้หรือจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้อันนี้เป็นการจเจริญสติเพื่อคอยสกัดความคิดต่างๆไม่ออกมาคิดเพ่นพ่านมาสร้างความคลุ้งซ่าให้กับใจพอสามารถทํา ทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วก็ถึงค่อยไปเจริญทางปัญญาต่อไปการเจริญทางปัญญาก็ไปศึกษาให้เห็นธรรมบันจริงของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเรานี่เองให้พิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราน่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป เวทนาความรู้สึกเก้นเป็นสวาว่ธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ไม่สามารถอยู่ภายใต้คำสั่งของของของเราได้จะสั่งให้มีแต่สุขกเวทนาอย่างเดียวก็ทำไม่ได้เวลามันจะเปลี่ยนจากสุขไปเป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเวลามันจะเปลี่ยนจากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปตามตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ให้พิจารณาละ กายเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตจิตก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างมีความเบิกบานสดชื่นบ้างมีความเศร้าหมองบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีใครสามารถไปสั่งไปห้ามมันได้ ให้เข้าใจธรรมชาติทุกอย่างเหล่านี้ว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะไม่เกิดความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็จะหลุดพ้นจากความอยากถึงแม้จะอยู่กับกายเวทนาจิตก็อยู่แบบปล่อยวางอยู่อยู่แบบไม่ยึดไม่ติดไม่ได้มีความอยากให้มันเป็นตามความต้องการเหมือนเมื่อก่อนใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรด้วยปัญญา <S S S S อนนี้คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้มาพบกับของที่หายากสี่ประการด้วยกันคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้มาพบกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการได้มีดำรงชีวิตยอยู่ได้มาจนถึงบัด น, นี้แล้วก็การที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราได้สี่สิ่งนี้แล้วโอกาส ที่จะที่จะหลุดพ้นจากความทุกนี้ย่อมเป็นไปได้อย่างง่ายได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและการชิ้นทุกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลกวาหาปูรากาลิปุเลนติสากหลังเอวเมวอิโตชิน e ังเปตานังอุปการปติยิชิตังปฏิตังตุม e หังคิปเมวะสมิจต um ุสภพปุริเนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยถามณิชดิอวะโสยถาสัพพิติโอวิวาชันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโน จตารวธรรมวาทานติ <c oughs> อายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะช่วงอื่นจะไม่สะดวกเวลาเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะถามถามตอบคำถาม ถ้าอยาถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่จาก Facebook 465 YouTube พระสุชาติไลฟ์357 YouTube ดกร V 47วิทยุออนไลน์9 Club House 9หน้ากุติ250รวม 1,137 ค่ะ ก็มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยคำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะขอความเมตตาขอความรู้เรื่องบัวสีเหล่าจากพระอาจารย์ครับบัวสีเหล่าก็คือภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติที่แบ่งเป็นสี่ระดับระดับอนุบาลระดับมัธยมระดับปริญญาก็ แล้วระดับที่ต่ำที่สุดก็ระดับเกเอ <c oughs> ไม่สนใจที่จะเรียนหนังสือพวกนี้ก็สอนไม่ได้พวกที่เกเ ร, รไม่อยากจะเรียนหนังสือสอนแต่พวกที่มีความอยากจะเรียนแต่ต้องอยู่ขั้นเริ่มต้นก่อนก็คือขั้นอนุบาลขั้นประถมพ <c oughs> อผ่านขั้นประถมไปแล้วก็ไปสอนขั้นมัธยมจากมัธยมก็ขึ้นไปสู่ระดับปริญญา <c oughs> บวกก็มีสี่เรา บัวที่อยู่กับโคนตมที่จะเป็นอาหารของปูปลาก็เปนะ็นพวกเด็กเกเลที่ไม่สนใจเรียนบัวที่อยู่กลางน้ำนะก็เป็นพะวกที่กำลังเรียนหนังสือกันอนุบาลมัธยมกันแล้วพออีกสักพักก็จ ะ, จะเจริญติบโตเป็นบัวปลิ่มน้ำอ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกเขาเริ่มเข้าสู่ระดับปริญญานะ พอปริญญาเขาจะมีหลายระดับปริญญาตีโทย เ, เขาเป็นพวกบัวเหนือน้ำตามลำดับต่อไป คำถามจากทาง Facebook คุณสุธารัตน์ค่ะอยากจะเรียนถามเจ้าค่ะปฏิบัตินั่งสมาธิมีสมาธิแต่พอเจอเรื่องมากระทบไม่ทันอารมณ์ไหลไปกับกิเลสความโกรธตอนนี้ลูกเกิดกิเลสความขี้เกียจ น, นั่งได้ไม่นานสติน้อยรู้สึกเบื่อหน่ายควรทำอย่างไรเจ้าคะก็ทำสติให้มากสิเหมนะน้ำมันรถนะ่ะถ้าน้ามันมันจะหมดมจะทำยังไงอ่ะแอยากใช้รถวิ่งต่อก็ต้องเข้าปั๊มไปเติมน้ามัน อยาจะเติมสติก็ต้องเข้าวัดวัดนี้เป็นปั๊มเติมสติ <Yeah. S 2> เวลาสติใกล้จะหมดรีบเข้าวัดจ <Yeah. S 2> ้อย่างเดี๋ยวจะเป็นบ้า <Yeah. S 2> หรือจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ <Yeah. S 2> โรคเครียดโรคพุ่งซ้านต่างๆ <Yeah. S 2> เกิดจากการขาดสติขาด น, น้ำมัน <Yeah. S 2> แต่ถ้าเข้าวัดบ่อยๆไปเติมสติบ่อยๆจิตก็จะนิ่งสงบจะเย็นจะสบาย <Yeah. S 2> คำถามจากคุณวันเพ็ญ ตอนนี้ลูกชอบอยู่คนเดียวสร้างเหตุปัจจัยให้ใจสงบสังเกตดูว่าวางเฉยกับบุคคลหรือเรื่องราวที่ทําให้ทุกข์ลงได้ไม่คาดหวังความสุขจากภายนอกคนรอบตัวมองว่าลูกเพี้ยนลูกมาถูกทางไหมเจ้าคะ่ะเราเพี้ยนหรือเปล่าะนักปฏิบัติต้องรู้ตัวเองว่าเราเพี้ยนหรือเขาเพี้ยนกันแน่ใครทุกข์หรือใครใครไม่ทุกข์ไอ้ดีกว่าคนที่ทุกขนะ์เนี่ยเพี้ยน คนที่ไม่ทุกข์ก็ไม่เพีย้ยนอข้าใจั้มปฏิบัติเพื่อไม่ให้ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เพียนแต่คนที่ยังทุกข์อยู่ในสนนังขายังเพียนอยู่คําถามจากคุณแ่งโยมสวดมนต์นานๆเผื่อฝึกสติก่อนทําสมาธิโยมคิดถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้ายังไม่มีสติพอที่จะนั่งสมาธิได้ก็สวดไปก่อนเราสวดแล้วรู้สึกว่าใจเย็นลงใจนิ่งลงสามารถนั่งดูลมได้ก็ค่อยนั่งสมาธิต่อ คำถามจากคุณนัทธพาศเวลายามทุกจากการทําบาปแล้วได้พบท่านเจ้าคุณเดินอยู่ใกล้ๆมักจะร้องไห้ด้วยความปิติและความระายต่อบาปขอให้ท่านเจ้าคุณโปรดเมตตาคุ้มครองผมด้วยครับจากพระแหมงนัทธพาธอภินทะโจก็อยู่ที่ตัวเราเนะี่ยบาปบุญคุณโทษผลก็คือความทุกข์ความสุขใจมันก็เกิดจากการกระทำของเรา ไม่ได้อยู่กับจการที่เราอยู่ใกล้คนนั้นหรือใกล้ของนี้อยู่ใกล้มันก็อาจจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราพยายามทําความดีอย่าทำความชั่วเท่านั้นเองการกระทํามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ผู้เราต้องคอยมีสติคอยดูการกระทําของเราว่าเรากําลังคิดไปในทางดีหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ระงับเสียหยุดเสียแล้วก็ดึงให้ไปคิดในทางที่ดี ใจก็จะสงบใจก็จะสดได้คำถามจากคุณตั้มขอกราบพระอาจารย์เรียนถามครับสีนแปดข้อหากชายหรือหญิงทำการช่วยตัวเองจนสาเร็จจะถือว่าผิดสีนข้อสามของสีนแปดไหมครับสีนแปดไม่ผิดไม่ได้ห้ามทำช่วยตัวเองได้ คำถามจากคุณสมัยฝึกสมาธิพอที่จะรู้ทันและระ ง, งับความโลภโกรธหลงทําให้ทุกข์ลดและได้จริงลงได้บ้างรู้ถึงผลประโยชน์ของการฝึกสมาธิแต่อยากทราบว่าการทําสมาธิและเจริญปัญญาจะทําให้เรารู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีอยู่จริงได้อย่างไรคะคการปฏิบัติจริงๆนี่เราไม่ได้สนใจกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเท่าไหร่ สน ใ, ใจแต่เรื่องการดับความทุกข์ที่มีในใจของเราถ้าเราปฏิบัติไปเราสามารถเข้าถึงใจแล้ดับความทุกข์ในใจได้เราก็จะเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเองเ mm hmm. พราะใจนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่เป้าหมายของการปฏิบัตินี้ไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดขอให้รู้วิธีการดับความทุกข์ของเราเวลาเราเศร้าโศกเสียใจทํำยังไงให้ความเศร้าโศกเสียใจนั้นหายไปได้ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าคำถามจากคุณมาร์กี้เรียนว่าเพื่อนฝากถามค่ะเวลาภาวนาสงบและรู้สึกเย็นหลังมากมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขั้นหนาวสัน่นต้องหาผ้าห่มทำให้หยุดนั่งสมาธิทุกทีกลับ ข, ขอคำแนะนำ ก, ก็ไม่รู้จะทำะยังไงหนาวว่าหนาวไปทาปฏิบัติก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงมันหนาวก็รู้มันหนาวไปแต่ต้องทาใจให้นิ่งอย่าไปใช้ผ้าห่ม ถ้ามันหนาวจากการภาวนาเราก็ใช้อุเบกขาเป็นผ้าหม่มอย่าไปเอาผ้าห่มมาหม่มเพราะว่าความจริงมันไม่ได้หนาวที่ร่างกายมันหนาวที่ใจใจหนาวก็ต้องใช้อุเบกขารับรู้วางเฉยปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณนัทพลจิตของผมมันเสื่อมเดี๋ยวบางครั้งดิ้นทุรนทุรายบางครั้งก็จิตเป็นสงสงกลางบางครั้งจิตก็โล่งเพราะสาเหตุอันใดครับเพราะสติของเราไม่แน่นอนเวลามีสติใจก็จะสงบใจก็จะเย็นเวลาขาดสติใจก็จะร้องขึ้นมาจะวุ่นวายขึ้นมาในเวลาที่เกิดความวุ่นวายใจให้รีบสร้างสติขึ้นมาไปนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย ถ้าสวดมนต์ไปเรื่อยๆสักพักเดี๋ยวกล้สติกลับมาแล้วใจก็จะเย็นลงใจก็จะสงบสบายยังไม่มีคำถามมีใครอยากจะถามไนหะเข้ามาได้หนูมาเอาไ <ๆ S 1> มาโครโฟนไปพูดใกล้ๆไมโครโฟนนะจะได้พีมีจริงไมหมรนะัะพีมีจริงไมหมฮัม ผีมีสองชนิดนะผีจริงกับผีปลอมผีจริงก็มีผีปลอมก็มีผีจริงไม่หลอกผีผีหลอกคือผีปลอมผีปลอมก็คือผีที่เราสร้างขึ้นมาในใจเราเองเช่นเวลาเราไปอยู่คนเดียวที่เปลี่ยวที่มืดเนี้ยเดี๋ยวผีปลอมมาละใจเราไปคิดขึ้นมาเองเขาเขาได้ยินเสียงนะก็ผีมาละพอเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยก็ผีละอันนี้เรียกผีปลอมมันเกิดจากใจเราไปคิดขึ้นมาเองผีจริงก็คือ ใจของพวกเราทุกคนเวลาที่ไม่มีร่างกายก็เป็นผีจริงเป็นเทวดาบ้างเป็นเปรตบ้างแล้วแต่บุญนุตบาบทที่เราทํากันอันนี้เป็นผีจริงแต่ผีจริงจะไม่มายุ่งกับคนที่มีชีวิตอยู่เพราะผีจริงก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาอย่าไม่ต้องกลัวผีจริงกลัวผีปลอมวิธีแก้ผีปลอมก็คือเวลาผีปลอมมาก็ให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งผีปลอมก็จะหายไปเข้าใจไหม <Okay. S 2> มีอะไรอีกไหะถ้าผีมาให้รีท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสภะคะวาหน้ <c oughs> ามโมตตสัะไปก็ได้สมัยที่เราเป็นเด็กแล้วก็เคยเจอผีแบบนี้ <c oughs> พอดีนึกถึงบทสวดมนต์ท่องอิติปิโสอรหังสัมมาไปสองสามจบท่านั้นผีหายหมดเลยใจสงบ คำถามจากคุณวิชัยค่ะเราทําบุญอุทิศ ส, สวนบนให้สัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วเขาจะได้รับผลบุญหรือเปล่าครับถ้าก็ารอรับอยู่ก็ได้ถ้าเขาไปเกิดหรือว่าไปไปสวรรค์เขาก็ไม่ต้องมารอรับผลบุญคำถามจากคุณมานาค่ะอยากทราบตอนที่พระอาจารย์จบกิจขอบคุณครับจบกิจก็ไม่มีอะไรต้องทําต่อไปผู้สิตัิงธรรมมันจะเรื่อยัง จบกิจก็อยู่เฉยๆไปกินและนอนไป <c oughs> เมื่อเรียนจบแล้วยังต้องไปโรงเรียนหรืประะปรเปล่าพอรับปริญญาแล้วก็ไม่ต้องไปและ้ะ <c oughs> ไปทํางานหรือไปทําหรือไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรก็ได้นะสมบดหน้าที่การเรียนการศึกษาลนะเรียนจบแล้วการปฏิบัติทางธรรมก็เหมือนกันการเรียนทางธรรมก็มีวันที่รับป ร, ริญญาพอได้รับป ร, ริญญาแล้วก็ไม่ต้องเรียนต่อไปไม่ต้องปฏิบัติติดต่อไป ก็อาจจะไปสมัครปเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปวันที่ไม่สมัครก็ถูกบังคับให้ให้สอนโดยปริยายลูกศิษย์ลูกหาไม่รู้มาจากที่ไหนกันเข้ามาขอเรียนกันเยอะแยะไปหมดคำถามจากคุณทิพย์ค่ะกรับนมรส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะศีล ส, สมาธิปัญญาทาอย่างไรจึงจะมีปัญญาเจ้าคะ คือปัญญามันเกิดได้3ระดับหรือ3ทางหนึ่กันเป็น3ระดับระดับแรกก็คือเรียนรู้เอาปัญญาของคนอื่นมาเช่นปัญญาของพระพุทธเจ้าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเอาเอาเรียนปัญญาของพระพุทธเจ้ามาพอเรียนมาแล้วขั้นที่2ก็คือต้องรักษาปัญญานี้ที่ได้จากการเรียนด้วยการเอามาทําการบ้านเพื่อมาคิดอยู่เรื่อยๆ เชนระพทธเจ้าบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้ก็คือปัญญาก็ต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยมาเตือนใจอยู่เรื่อยๆเผื่อเวลาต่อไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายจะได้ไม่ทุกข์เพราะจะยอมรับยินยอมที่ทุกข์กันกเพราะไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายแต่พอคิดอยู่บ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตาย พอเจอความแก่มันก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาขั้นที่สามขั้นที่สองคือเอามาเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมแล้วขั้นที่สามก็คือเวลาเจอของจริงเจอข้อสอบเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจก็จะไม่ทุกข์ทำอีปัญญานี้เอามาสอนใจให้ยอมรับความจริงนี่คือปัญญาคําถาม <คำ S 2> จาก ค, <ำ S 2> คุณตั้ต<า> ม, <า>มค่ ะ, คะ ม, มีคําถามผู้อ่น ของพ่อเจคะถ้าตอนที่หนูปฏิบัติแล้วเห็นการถอนกิเลสให้เบาบางเกิดจากการมีกิเลสมากๆถึงจะเห็นนะเจ้าคะ่ะพอจึงสามารถถอนกิเลสได้แล้วถ้าเกิดว่าปฏิบัติไปกิเลสมัน เ, เ, เใจมันสงบขึ้นนะคะใจสงบขึ้นทําให้กิเลสน้อยลงแล้วเราจะ ปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อเห็นกิเลสหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าหนูจะไปต้องไปไปเห็นสภาวะตอนเวลาใจเราทุกข์นะเวลานั้นกิเลสยังกำลังทำงานอยู่เอ็นคอยสังเกตตอนที่ใจเราทุกข์ถ้าทุกข์มาเราต้องโกรธต้องหลงต้องโลภต้องโกรธหหลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ปัญญาหยุดมันให้ได้ด<อ>ูที่ความทุกข์เ่ ถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีกิเลสถ้ามีความทุกข์ก็แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่เหมือนหมอที่รักษาไข้เราเนี่ยหมอคอยวัดอุณหภูมิเงี้ยเถ้ายังไข้สูงก็แสดงว่ายังมีเชื้อโรคอยู่ก็ต้องกินยาต่อไปพออุณหภูมิกลับมาเป็นปกติแล้วหมอบอกไม่มีไข้แล้ว <Rus so> เชื้อโรคหมดแล้วก็ไม่ต้องกินยาอยู <S <S 2> <S 2> ่ที่อยู่ที่ตัวทุกข์ดูที่อุณหภูมิของร่างกายถ้าเป็นไข้ก็ดูว่าร้อนใช่ไหมถ้าร้อนก็ยังแสดงว่ายังมี มีเชื้อโรคอยู่ก็ต้องรักษาต่อไปใจก็เหมือนกันถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่เจ้าค่ะค่ขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากคุณรมมี่ค่ะเราแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรของพี่ได้ไหมคะได้แต่ต้องไปพอที่หน้าเขาต่อหน้าเขาไม่ใช่ไปแผ่ที่ในห้องพระ การไ่สวนมนต์แผ่เมตตาไม่ได้แผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องไปหาคู่กรณีของพี่เราถามว่าไปโกรธพี่เขาทําไมอยากจะได้อะไรเหรออยากจะได้เงินชดเชยเท่าไหร่บอกมาจะจ่ายให้นี้พอจ่ายเงินชดเชยให้เขาก็ไม่มาเป็นเบนเป็นกรรมกับพี่เราแล้วเจ้านี้เจ้ากรรมในเบนก็คือเจ้านี้่ไปติดนี่เขาไว้แล้วไม่ยอมจ่ายเขาก็เข้ามาทวงอยู่เรื่อยๆพอเรายอมจ่ายนี่มันก็จบัการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวด ด้วยการกระทาเราต้องไปกระทาต่อเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้เราเราติดหนี้เขาอะไรไว้ก็ต้องจ่ายเขา mm hmm. ถ้าเขาต้องการจะทุบตีเราก็ต้องให้เขาทุบตีเราหนี้ก็จะหมด mm hmm. ถ้าเขาอยากจะฆ่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาฆ่าเรา mm hmm. พระรลกุฏราชกนะท่านก็ต้องต้องถูกเขาฆ่าตาย mm hmm. เจ้าหนี้เขาต้องการเอาชีวิตท่านก็ยอมตาย mm hmm. คําถามจากคุณตั้าค่ะพระที่บรลุอลหัน ถ้ามีคนเอาเงินมากองให้สิบล้านถ้าหากรับไว้ความเป็นอรหันต์จะขาดไหมครับไม่ขาดเราก็ให้ให้ให้ธนาคารต่างประเทศไปซือเป็นทองคําแล้วก็มอบให้กับธนาคารต่างประเทศไปไม่ได้เก็กบเอาไว้ใช่เองอรหันต์ไม่หิวกับเงินหรอกแล้วจะเอาเ <laughs> งินไปทำอะไรห า, าคาาถมจกุณวิโร์ค่ะ การหายใจถึงท้องเหมือนเส้นจากจมูกขึ้นมาที่ท้องเป็นการตามลมหม่ครับเพราะปกติมันเป็นแบบนั้นตามอย่าไปตามไปที่ท้องให้อยู่ที่จมูกอย่างเดียวหรือจะอยู่ที่ท้องก็อยู่ที่ท้องอย่างเดียวก็ได้อย่าวิ่งไปวิ่งมาเอาเลือกจุดใดจุดหนึง่งที่เรารู้ลมได้ถ้ารู้รวมที่ท้องก็อยู่ที่ท้องเช่นเข้าแล้วพองออกแล้วยุบเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่ายุบหนอพองหน อ, อน้ดูที่ท้อง ถ้าดูที่ปลายจมูกก็ไม่มียุบหนอพองหนอ่อมีแต่เข้าออกคำถามจากคุณอาภาภรอยากทราบว่าเวลายมทาบุญแล้วไม่เคยคิดยึดติดจะได้รุญใหม่คะได้เพราะบุญนี้ที่ให้ไป น, นี้เป็นการชนะความตนันีชนะความโงเงินทองอันนี้คือบุญบุญที่เกิดจากการตัดความผูกพันกับเงินทองก้อนนั้นไป คำถามจากคุณสมัยฝึกสมาธิพอที่จะรู้ทันและระงับความโลภโกรธหลงได้รู้ถึงประโยชน์ของการทําสมาธิทําให้ทุกขลดลงอยากทราบว่าการทําสมาธิจเจริญปัญญาจะทําให้เรารู้ได้อย่างไรว่าการเวีนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงก็อย่างที่บอกว่าการปฏิบัติไม่ได้สนใจกับเรื่องการเวีนว่ายตายเกิดสนใจอยู่ที่การดับทุกข์ถ้าดับทุกข์ได้แล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ก็จะรู้จากการปฏิบัติเองว่าตัวที่จะไปเว็นว่าตายเกิดก็คือตัวใจนี่แหละหมดแล้วถามหมดเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็หมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด